ระหว่างเสากับภูนเนี่ยอเจ้าภูมาอธิบายเสายังไงอ่าไอ้ทุกครั้งมาจากบริวารเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมาจะอธิบายยังไงไปสัมพันกันยังไงไอนี้เวก่นไอนี้เวก่อนไอจุลีก็ไม่เอาเอาไอเนี้ยไอเนี้ยเนี่ยอย่างที่มันตกสีตกเดตกอะไรมันมันมันาความสัมพันธมันเป็นยังไงในสองตัวเนี้ยเจอตอนนี้เราก็มากมักขี้อย่างเงี้เมักขี้มักขี้มักี้อย่างเงี้เลยอทามาขยายเนี่ ทุกครั้งเยต้องเอาตะพูมานะครับต้องมาทำนี่บริวารนั่นก็อายุี้อายุเดชสีเขียนนี้มูละแลยนอุษาหะมณตแถวแถววเนี่ยใหม่อันเนี้ยอันเนี่ยบริวารเขียนบออโดนรียว่าหเดชสีมูละอุษาหะ มนทีดาริจินีก็ไล่เลยตัวนี้ดีถี่ดีถี่บริวารบริวารนี่คือหนึ่งหนึ่งหกสี่สี่สห้าสามแปดยามใหญ่ยามใหญ่อะไรเป็นบริวารสองอ้าวสองเจ็ดห้าสามแปดหนึ่งหกสี่อืมอย่างนี้เนี่ยอันนี้ดนอันนี้บริวารหกเพราะหกสี่สองเจ็ดห้าสามแปดหนึ่งอ่าถูกแล้ว ให้หกสี่สองเจ็ดเนี่ยดูเรื่องเงินน้ำแปดหนึ่งดูเรื่องเงินดูเรื่องเงินของเขามาดูบริวารทับอ่าก็จะได้สองสองเป็นสีสองนี่งี้อีกทีหนึ่งอ่าเนี่ยต้องไปดูมหาหมอดูอบริวารกาสีเนี่ยอันนี้อ่าที่ เราก็จะโบโลงไปที่นั่นอเรื่อยอาจารย์แกก็ไปให้ลงอันนี้เป็นสีอ่าที่นี่เป็นสีนะที่นี่เป็นสีที่ไอเนี่ยที่ดีทีนี่ยามใหญ่คือต้องมาขยายของเราไงเรายามย่อยต้องมาขยายแล้วก็อันนี้เป็นบริวารสองเป็นบริวารอันนี้เป็นเดชเป็นเป็นเดชล้วก็เราก็ไม่ได้ลงแต่เรารู้แหละบริวารทับสีที่เราเป็นเดช เงินเนี่ยก็ได้มาก็ดีด้วยมีเงินไหมมีเงินทางไหนใช้เงินจากอะไรเงินจากการที่นี่เราไปดูเรื่องมากแล้วนะความสัมพันธ์นี่เราจะขยายความของเราแต่เราไปดูเนี่ยคนนี้มีเงินไหมมีแค่นั้นเองอืมจีบได้เลยไม่ใช่จีบจีบก็ได้ไม่รู้เอาง่ายๆก็คือว่าจะบอกให้ทําบุญก็ได้เลยได้แค่นั้นจบตอนนี้จะได้เวลาไหนแต่ครแต่จิตใจของเขาเนี่ยยัง ลุนเล่ลุนเล่กระเลเลาพาอยู่ณเวลานี้นะอ่ะาณเวลาเนี้ยที่ทว่าจะทําบุญหรือยังไงยังไงเนี่ยเงินเขามีไหมเราดูเขาก่อนเนี่ยเงินมีไหมแต่เราจะคุยยังไงเนี่ยโอ้โลมปฏิโลมยังไงก็แล้วแต่เราก็ดูห้าของเราห้ า, ข อ, าของเราเป็นเดชด้วยอืแต่ห้าของเราเป็นอุตสาหาพยายามปล่อยมือกูได้มากเขา <c oughs> ไอ้เลี้ยงอดูอย่างเงี้ยดูอย่างงี้ประกอบสัมพันธ์กันไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย โอ้สพันเอสนุกเขาเรียกขยายความขยายความอันนี้ขยายความของเราเองนะเราไม่ต้องไปเขียนรือไปก็ต้องอัตรรตกัเขามากไปยิ่ใหญ่ยมย่อยย่มย่อยก็คือเสาอันนี้เอ้าเรามาแปลมันทุกเป็นน่นที่อาเป็นเสาี่เป็นเสาเป็นเสาก็ใส่เขียนเสาลงไปเลยเสาตัวนี้เขาก็หนะไล่ตัวไหนเป็นบริวารเป็นอะไรก็รู้สนานนี้ก็แใช่ป่ะมันก็จะเป็นตัวนี่นี่ก็สำเร็จเนี้ที่ทองอ่ะใช่ป่ะเราสเร็จ ความสุขแล้วสี่แปดมาหนึ่งอ่าเจ็ดเนี่หนึ่ง่างแปดอมันแบนสามอันเนี้ยสำเร็จอยู่แล้วที่เราท่องกันอ่ะสำเร็จใช่ไหมความสุขโชคเออมนุษย์ยังเนี้ยโชคลาภจีดัง5่าสิทาสิไอ้นี้ภายนอกทุกภายนอกไอ้ทุกภายในไอ้ทุกภายนอกอ่านี่ทุกภายในเขาเนี่ย คนเนี้ยดูรู้เลยเนี่ยเจ็บป่วยอยู่เลือดเลือดเสียเลืออะไรตัวอะไรเนี้ยหรือไม่งั้นก็อีกสามเดือนเรื่องรถเรื่องผ่าตัดก็ต้องมีปัญหาหกสี่สองเจ็ดห้าสามป่ะครับเจ็ดห้าสามแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งจะมีปัญหาอีกสามเดือนเนี้ยจะต้องวิ่งมาหาเราถ้าเกิดเราพูดอย่างเนี้ยเราพงพงถ้าเกิดเข้าจะกลับยอมระวังเลยนะอีกสามเดือนน่ะเก้าสิบวันอะไรครับเรื่องรถเรื่องอะไรตัวอะไรแล้วขยายออกไปเนี้ย ตรงเนี้หกมันเป็นอะไรก็มาดูว่ามันเป็นอย่างเงี้ยก็ไปเทียบสิเป็นอายุนี่แล้ว่าเนี่มุดตั้งแล้วรู้แล้วไหเป็นอายุเป็นอะไรมนตรีชื่อเสียงแ่อเนียคนนี้ยมีตำแหน่งีขนาดรู้แล้วแล้วก็หกเป็นเดี๋ยวหกเป็นบริวารเนี่ยตนนี้ตีไปทีละตัวใช่ไหมตีทีละตัวไอตัวเนี้มันเห็นไงไอตัวเนี้ยมันจะเห็นเนี่ยที่ให้บอกให้ดูเพราะคนที่มานี่เป็นอย่างนี้เลยหกขึ้นมาปุ๊บอ่าเนี่ย ปัจจุบันของเขาอ่าเนี่ยขึ้นและนี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์หกนะวันอาทิตย์หกอีกโอ้โหมหาเลยสุดยอดเลยเกิดบนนี้รู้ไงว่าวันนี้ใครมหาเราคนอีเนี่ยเขาเป็นอะไรแต่ก็ยังเป็นเราไปพูดแต่เรารู้แต่ถ้าเกิดหกตกลักกินีหรือตกอะไรตัวอะไรอยู่ต่ํากว่าอีกเพราะวันนี้อีกดีไม่ดีอีกนะเราจะรู้เลยแต่นี่เรามาขยายความเอาของเรานะ ไอเ น, นี้ยบอกเขาเลยเราณเวลาเนี้ยคนมาหาเราเนี่ยมีตังค์ไม่มีอืแค่นั้นเองอืมไม่ต้องไปมากอืมดูตัวนี้แต่อั น, นี้เราขยา ย, ย, ายเรามันจะอีนนี่จิตใจของเราแล้วเราจะลวนเรือนอกเนี่ยมันจะทําให้บอกว่าอาจารย์บอกว่าจะทําให้เสียไปวิตกไปกังวลเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยอย่าไปยุย่งครับแล้วแล้วก็ไอเ น, นี่ยหนึ่งสองสามองค์พระาหลักจรแซกเราจะต้องรู้คือว่าเราต้องรับสมองเราไงใช่ไหม นี่ก็เป็นหนึ่งนี่ก็เป็นสองนี่ก็เป็นหกสุกปากหวานนำคารรับเอาอืมใช่หนึ่งกับสองกับสองเขาดีหมดอืมงจิตใจจิตใจเขาดีการกระทําของเขาเนี่ยดีนะเนี่ยรุนแรงนะเนี่ยเนี่ยปากหวานเขาว่าปากหวานเขาว่าไปเลยอจะตเตอร์อย่างนี้แแล้วก้าท่านอาจจะดีไหมแต่ท่านอานจะเหนื่อยจะเกิดเปรียบเทียบกับท่านอจะเข้ามาหาท่านอ่ะเขารู้เราแต่ไม่ยังไม่ได้มาให้พูด แต่เราต้องรู้เขาด้วยต้องเาอุตสาห์าฝอยเฮ้ยใช่ป่ะอือนี่นะมันมันจะกระทบกันหมดตอนนี้อ้าวไหนๆก็มาแล้วแต๋ยังไม่เจอกันก็อยากจะรู้ว่าเขามาหาเราเห็นหน้าป้าจะรู้ด้วยไเขามาเรื่องอะไรเขาวิธีการณาก็ได้มามองหน้าผมมมามามามามาไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้สําคัญมามามามามไม่ได้ไม่ได้สุดยอดเห็นหน้าแล้วก่ มาเรื่องอะไรก็อย่าถามเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นเลยมาเรื่องอะไรคงใจตั้งเลยมามามามอธิบายช้าๆจะชัดช้าๆอะชัดๆด้วยจะดูอันเก่าเหรอดูอันเก่าไม่เอาดูอันไหนดูอันไหเมาเดินเนี่ยอย่างวเขามาเดิน